เรื่องยาพิษสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุผู้เที่ยวบินธบาติเป็นวัดรูปหนึ่งได้อาหารบินธบาติที่เจือยาพิษมาแล้วนํากลับไปถวายภิกษุทั้งหลายให้ชันก่อนภิกษุเหล่านั้นถึงแก่มรณภาพภิกษุเจ้าของบินธบาติเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พรงตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ทราบไม่ต้องอบัติเรื่องที่สิบอสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องการทดลองจึงให้ยาพิษแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่งฉันท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุผู้ทดลองยาพิษเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอ